ทั้งนี้เป็นขั้งสุดท้ายแะขั้ต่อไปก็เป็นขั้งสุดท้ายที่ข้าปาไห็นลี้ยไกเลยหือเรื่องว่าอย่างนี้จะทหาวีความรู้ับเป็นลูกศิษย์หลว่อาั้งแต่ีพุทธาดองัน้ารอยแปดองรับครัปฏิบัติดีปฏิบัติท่อโดยการยึดต้นทีพาน็นที่พ่งโดยด้วยดีมาโดยตลอด แต่ว่าเมื aparece, ่อวันที่อะยรยนพระอสค์มีพฤิกรมนี้ว่าเออฟังเงินไม่ออกใจเช่าสัีของโลกแกก็โอนบุบไปได้ดีตายแล้วร็ตายนะที่โลกจะเยนถามเป็นครั้งแรกนะครัดท้ายก็อยู่ว่าโดยที่เจตนาแกตั้งใจจะเข้าปฏิภาณธาตุนี้อยู่เสมอ มาด้ยดีตลอดแต่พอเมื่อตายด้วยอุปสรรคกิดอย่านี้แยังจะพอมีสิทธิ์จะไปตามความฝันของเขามีสิทธิ์หมายความว่าสมมติว่าเขาไปเป็นเฮรดาลุทธุมนะเพราต่อเลยเฮ้ยนอเ่างนี้มันดีจรินะต่อได้ใช่ใช่แต่ถ้าไปได้ก็ไปแต่ไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้ก็ันยามาเนี่ยมันต่อที่นั่นโอ้สมาก กียามาในภาษากุงเทพนะสะพันสะพันยามาวรอรอมาได้แล้วก็ตาตาตนตาตาตาตาตาตาตาต้าตาตาตาตาตาตาตาาตาตาตาาตาตาตาาตาตาาตาตาตาตาตาตาตาตาตาาตตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาาตาต้าตาอาตาตตาตาตาตาง คาก็พอแต่ว่าที่ตอนปฏิบัติเห็นไม่จะกรณีกรไีนัก็เลยมาคิดรับตัาโดยการสังโลดจะดวาเพื่อรัเ้าสู่พลังในชาตินี้โดยเลิกเตวิงไฟเลยีใหม่ภระเห็นด้วยเด้วยนะครับเห็นด้วยใช่ท่าเลิกเตชอก็มาเล่น ปิตกะศินแท น, นปิตากาศก็กสีเหลืองคือพระพุทธรูป ไ, ได้กวาด้ข า, าจงกวาดจงมาวาว่าก็ามีพุทธาทุติควาันเป็นอารมณ์อยู่ด้วยได้ใช่ใช่ใช<ม> เราเลย้าเามกจารเินองจลกอู่กช้างมีเรื่องเดือยร้อนจจะต้องให้เราขอดึปัดเซ็ลาวซเมื่อการงานขอจะติของเราผ่านวันนี้ตามจังหวัดวัดดึงวัดเาขฝากมาันรคับผมไม่เก็บม้พาเก็บมาแล้วเ็ลมยป๊ะาบปัที่เจอแล้วล้วติดต่อก็เรกเขาอนรัพท์ายติดต่อไม่ได้ ขอปึกษาหลวว่าถ้าผมจะนั่มาถวายลอยายลมหลวงพ่อว่าจะได้มท่านปรึกษาแม่ดิไม่ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ถวายกระฉันนั้นได้ถวายลอยสายลมได้ไงโอ้โหโอ้โหจะแหมปวดใจเลยก็ระดีธรรมด้าถ้าถวายสอยสายลม ไม่มีคนให yeah like yeah. yes. ้ตะไว้ใช้เขียนไว้ว่าเป็นเงินกระถินเขาเปใช้ประสงค์สูงเหมือนกันต่อต่อยไม่ได้นะใช่ไม่ได้ก้อนนี่ละเอียดแล้ก็ไม่เชิงนัมมีอะไรก้อนไหเหรอครับเยวก่อนเยวก็รู้ อาแาบท้าหลวงพ่อเท้าขาที่พอรบเอาไงเดี๋ยวก่อนจว่าไงเนี่ย <c oughs> อยากท้าหลวงพ่อเท่าขาที่พอรบเลยใส่หมวกก็ร้อนใส่ก็ร้อนม <c oughs> ันจะเป็นบวัดถึงว่าอย่างนี้อยากกันอะบางทีก็นักถือศาสนาพุทธแต่บามคนมีความจำใจอยากจะได้ลูกสาว ถ้าจำ็จะต้องเปล่นศาสนาไปอไทีันยอยได้อยอิสลามอทนี่อกอนอูสาวถ้าว่าไแหมมันยอต้องไปร่เใช่แต่ีนะมันปอหาออิบอ๋ออา้ทนะไรรุอย่างาา วันนี้เรียบร้อยแล้วเพ่งดึงตายไปนี่มันเป็นอย่างนี้จ้ะ่ะด้วยความโงมใจแล้วก็เกิดสนิทจิตเอกันมาเลยนํานำสารพัทานมาถวายที่พอยลุ่งที่ถวายที่เรียบร้อยแล้วตั้งใจจะตั้งใจที่จะจดจำให้แกล้งคนนี้นี้ก็สงสัยว่าเริ่มพูดภายหลังจิตที่เวลาเราจะถวายสารพัทานไปแล้วนี่ได้หรือเปลาผมจะพูดอยู่อนนี้ได้เป็นผีได้ไม่เลือก ผีหิวแล้วไม่เลือกอผีอิดที่เคยไปเจอที่สง ข, ขล า, ขปปลาก้อนมรเลยมันเป็นอย่างนี้นะพอสอนหลายปีแล้วหม่อมหลวงวรวัตรท่านเป็นผู้่วยการไปฟ้าที่นั่นนะพาไปพักบ้านพักก็อยู่ใกล้ๆกล้โบสอิด ใกล้กันเลยห่างอมาใหญ่ย่อมาแล้วกาย่อไปไม่ได้ไหนจะไม่รู้เรื่องกันวันนี้เขาฟังอิดมาแล้วนี่นะเน่พอตอนสักประมาณหกทุ่มฉันเข้านอนนะก็ใส่กรอนอประตูก็มีไอหน้าต่างก็มีทุกมีทุกตรงนะ พอดับไฟปรากฏมีผู้หญิงคุมหน้ามาประมาณทั้งสามสิบคนมันนั่งข้างเตียงถามว่าพวกเธอเป็นอิสลามใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ถามว่ามาทําไมเรขอส่วนบุญแามว่าอิสลามทำไมจึงไม่ไปลงนรกถ้าตามธรรมดอิสลามต้องฆ่าสัตว์เป็นเ น, นื้อกินใช่ไหมเขาบอกนั่นเป็นเรื่องผู้ชายผู้หญิงท่าไม่ได้ทำ เเลยให้เขาแสดงว่าอีกก็เอาเหมือนกันอไม่ดีีเวลาือมาไม่เลือกไม่เลือกแบบแบบยกทรงอลัขี้เสือฉันั้นคือทรงเคยกินขี้ไหมนี่ <c oughs> เขาอิในาแขงขี้ขี้เหล็กนี่เล่าไปกินไหมล่ะ เขาโยกมาแล้วก็ยกไปครับเเสียตามพ่อไม่ทเลย่่หลายปีลยังทไม่ได้อวมีสิทนะคมีสิทธิ์ทุกสุกหน้าน่ะไมกันไม่กันกันเปเหมือนกันะ่สมาเจอเป็นลายันอ๋อตา คุณจะต้องลบควนแน่ๆว่าแหวนจากภพที่ได้เร้าไปจะลอยให้ลงนั่นบัด น, นี้จะเด็ดหายไปหนึ่งมเมล็ดคงเหลืออยู่เพียงสองลูกก็เลยไม่สบายใจว่าสองมเมล็ดที่เหลืออยู่นี้จะมีฤทธิ์เศ็ดลดลงไปหรือเปล่าขอให้ลวงพ่อด้วยผมครบ ให้เ็ดไม่เป็นน้าสู่ที่เดิมด้วยเไม่ยากไม่ยากไยากดสายไม่อ่ะไปชื่อเข้ามาใส่ไม่องใชยไม่ต้องไม่ต้องง่ายง่ายอนุภาพเท่ากันเทคเกอร์คืออนุกระัมต่อนุภาพเท่ากันหมดที่เหลือก็เท่ากัน ก็ใช่ก็ใช่ก็ได้ไดใช่ได้ใช่ได้บแบบแพกก้่หักวันคืนเนี่ยี่อย่ายโยมถามแพ้หักเลยนะสุขภาพก็ยังทรงตัวไม่ไม่สลายตัวนั่นจะพระ พ, พุทธรูปพุทธรูปอย่างสมัยทุกเอ่าชนาโกศินหักแตกอยู่บ้านไม่เป็นไร ถ้าอย่างสมัยทุกข์ไทยเชียงแสนส่วนภูมิยู่นะถ้าหักล้วก็ต้องไปวันวันสุ่มไม่มาำดีบอกไปนะเรื่องราคาแฟนเลยใชความจริงก็ไม่เป็นไรก็ต่อเสียให้ช่างก็ทำบันีปิดทองสมัยก็หมดเรื่องไปได้อาใช่ใช่่ด้วยนะ การทายมีบ <c oughs> ้าหาก็ห <Lindsay tai 22> ่าก็ค <jeu todos y> ือพวกนี้คือแต่นั่นไเตอนไปให้สุดมันน้ผมจะต่อให้เสร็จนมันจะไหวพ่อไม่ใช่เอาเองแตขาส่งให้เลยเนาะเลเนาะตีกระต่ายเดียวเดียวนะเอ้าย่อหกกว่าพปุ๊บราบมาลงพ่อตีกระตา รือว่าลูกชายอายุย่างที่าปีหมอทายไม่ดีลูกก็ไม่ลลูกเลยเอามาฝุดมโนวิจิตที่คอยสายลกเพราะปรากฏว่ามาวันนั้นพุฟงพักได้เลยทีนี้ต่อมาไม่กี่วันเกิดเป็นไข้ตัวร้อนจัดหาหมอที่โรงพยาบาลจิตาได้ผลพฏิหน้าพอใจสักผาสจริงได้ั้น ตอนาวันแกกลางเข้าไปห้องวัดยี่เสียงของลูกพ่อเตะที่นาโขบแกบอกว่าใจจะขาอยู่แล้วใจจะตาดอยู่แล้วแั่เดียวแกหลุดขึ้นไปเจอองค์สมเด็จพระพรีประารเจอท่านแม่แ่กลาบผมด้วความดีเป็นอางยิ่งอะไรแล้วผนสุดท้ายท่านบอกว่าอายุของเองมันเหลือแค่ย5่ห้าป ลูกได้ก็เลยต่อรองกัทนท่านก็เลยบอกว่าออาไปสี่ิห้าปีก็แล้วกันขรบกำหนแล้วลูกกอพุ่งเข้ามาสู่ร่างอย่างเดิมพอลูกขึนมาแล้วก็มันตื่นใจว่าเอ๊ะการมีร่างกายทางหน้าไม่ดีเลยลูกขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับสี่สับห้าปไปผมอยากจะไปทางที่ให้โดนแล้วโนรอดขอหลว่อเดี๋ยวอกบอกที่เนอเรื่องบออกช่วยได้ขอใครก็ไม่ได้นะ ออกใจก็ไม่ได้ให้ได้ไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อยากมีอายุเยือนอาขอมาแล้วออกหนาไม่ใช่ก็ที่นั่งสบายกว่าไอา้ตอนตั้งแกไอ้ติดอารมณ์ของโลกจะติดอยู่ใช่ไห ม, มคิดว่าถ้าตายที่เวลาที่อายุจะน้อยเกินไปแต่ก็ยังมันจะสุขมากกว่ า, าที่กลับมาที่หลังร่างกายมันก็ปวดเรื่องว่าติอยู่ท่านไม่ปวดดีกว่าก็ อ, อยากจะไปที่ต้องไปตัวตรงว่าท่านใหม่นะ แล้วก็จะาอทาโดยเสายร่วมนเดี๋ยวใช้ก็ินยกทรงไปด้วยกันไม่ไม่จะไปถวันย์หรอกไปไหนล่อ้ย่ยยยยยยยไยยยยยกยยย บัญช <AR> ีบอกไม่ได้รดบันทึกแล้วเออเ่องนี้ก็ทำตามลาแบบข้อนนะถึงไปเท่ายกลับถึงไปละลายกลับใช่อาหลวขาลูกอความจริงลูกก็เป็นนักอฏิบัติเผื่อซื้อทั้งขอนโคตรก่อไม่ว่าจะเป็นธรรมรดิโหม่อประวัติของโคการหรือว่าอะไร เอการการเรียนรับตัดหนีนรกกักลูกน้ำต่างทุกอย่างลูกสบายใจเป็นอย่างมากแต่ว่าแหน่ที่ตอนนี้กำลังเป็นความอยู่แต่ฟางก็มมไม่มีอะไรเพื่อแบ่งผลบัิตลูกจอยา ก, ายากได้ดไมากลูกก็อยากได้ร้อยลูกเองไม่อยากได้แต่ก็ไม่ทักอยากได้เพราะว่าที่ราคาแพงกำลังเป็นควางระหวา่างพี่น้องลูกจักไดไม่รับโกนพ่อ ขอเพียงแต่พ่อขอคุยพอให้หยุดชนะเอา่ด้ัหนึแล้วนึกแล้วไม่ได้รบคนโควิดตอนนีเหาเป็นการฝึกทักษะเยจะเอาหรือไม่าเออคนนี้เยื่อไม่จัดเอาไว้ต้อมต้อมเออโต้ที่ถึงกรวายไปเออดีดีกรไหว่ายผมเขาว่าไปไม่รบคนนะว่านะไม่รบคนแล้วรอยชนะก็แล้วกัน นี่ขอฝันหน่อยเดียวเท่านั้นหรือว่าพ อ, อที่ฝันนะตาบอว่าจะไปพบคนที่สิงห์ในระหวานทางตาบอกว่ามันจะเรียกลูกไปลูกเห็น่หมลูกนั้นนัไม่ดีก็จําป็นจะต้องให้เข้าไปใ่ตอนที่จะไม่เข้าไปนี่รู้ลูกรูกกก้ในจิตว่ามันจะทำในเรื่องสารนิพพานใส่ตัวลูกลูกก็เลยเรี้ยใงให้หลวงพ่อวัดเท่าชูด้วยแต่กันที่หนาหรือตายหลวงพ่อกลับไม่ได้ยิน ทำเป็นเฉยเดินไปพรอมไม่รู้ร้อนแหม่เจ็บใจในตอนนั้นเป็นอย่างมากเพอจะมาเยี่ยมโอโห่หน่อยๆต <laughs> ันโโนี้เกิดนึกค่อยสาบายใจวันเองเราไม่ควรจะโมโหหลวงพ่อในเรื่องฝันขอกราบมาลาโทอนอกฝันในวันนี้ขอหลวงพ่อโหยกิจกรรมด้วยยังไม่พ้นหรอก ต้องเขียนชื <lamps> ่อ <serves> ฉ no. no. no. no. no ันติดเสาเราเตะขาอะไรเขอยากไปช่วยันใช่จะไปช่วยไม่เป็นไรนะเรื่องความพันธ์เรื่องอารมณ์น้องธรรมดาจรงผมนึกว่าขนาดัวพ่อเปิดเสาตันอได้แล้วความดีที่าไปฏิบัติใช่ใช่ช่โมเวขาวตายแล้ว่าเสาตายนะ ถ้ามัวเวาไปแล้วก็ตาน่ะ่กตาลิงนะตาลิงตอบกันก็ภาษครับครับก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวก็ต้องทำบุญทำดุสศนุสทธให้เนี่ยนะจะได้รับหรือไม่โดยรับกุณจากแปนะให้ไป เราไปฝึกกับเขาแล้วกันนะี่รู้เองเห็นเองไม่สงสัยมีเรเอ่เเนะถ้าต่อไปก็ไม่จบถามานไปเลยถามที่นี่ที่ตอบแล้วก็ไปถามที่อื่นถามไปเรื่อยๆครับเจอเจ้าถามเจ้าเจอตรงต้องต้องไปเจอเจ้าชั้นดีอย่างเจ้ามือเนี่ยใจใจโอ้เเมตตานะให้มีเพาะลาหามจามร้ายนะ็้ ข้าวนาข้าวเหนียวไม่ขาดเลยจริงๆตัวเลขหไ่ทัขอานไปตาค้าหรืงพ่อดูรบอยากสูงดูว่าคุณย่าตอนที่เป็นแฟอยู่ได้รับปรจักษ์จากลวงเองว่าต่อไปจะกินเจจะไม่กิเสื้อปัดที่ต่อไป ถ้ามาป่วยระยะไม่นานนี้ถาหมอหมอบอกว่าถ้าผาเป็นตัดจะหายได้ดีเร็วขึ้นลูกก็เลยทำเนื้อตัดให้แกกินโดยไม่รู้แล้วบอกคือหลังแกโมโหมากแล้วมาที่สุดแกก็เส้นาตายไปเลยที่ตอนตายให้ลูกไม่ห่วอะไรแล้วที่ตอนตายแล้วมานี่จุกนะนี่น่นาวาใจมึงมึงมึงทนนำให้ลูกต้องตายลูกเขาบอกว่าได้ทำกรรมฐานแล้วอโอสกรมเ แกก็ยังมาเข้าฝันของสามวานสองสามไม่พูดอะไรพูดอย่างเงี้ยมึงมึงมึงขอแล้วเมตตาช่วยกจัดยาไม่ยากไม่ยากไม่ได้เลยครับไม่ยากถ้ามึงมึงมาแล้วมึงมึงมึงโอเคมาแล้วก็สไปใช่ใช่ใช้ภาษาเดียวกันแต่ใช้คนภาษาไม่เข้าใจถ้ามึงมาาเราฉันไปแล้วเนี่ย เ็าไม่รู้เรื่องกันแต่ก็มึงมาแล้วก็มองไปล้วรูมาแล้วก็ครูไปใช่ใช่ก็แสดงว่าไม่มีทุกข์มากถ้ามีทุกข์ก็ไม่มาได้คนที่ไปตายแล้วไปมีภาพผู้พามามายากเพราะงั้นเราที่เราฝันได้อะไรได้แสดงว่าแสดงว่าเขามีสุขแสดงว่าภาพได้เนี่ยขนาดมาดุได้แสดงว่า เป็นที่อดาพี่นางฟ้าไปแล้วใช่ใช่ใช่ อ, อ, อ๋ <มา S 1> อเดี๋ยวก่อนเขาเขียนมา่อกี่มุ่งมุเอาละเอาเลยีน <c oughs> ทุกปีที่ไม่ออกเดี๋ยวจะาสมา่ใช่ใช่ใช่ บอกคนเดินียิ่งดำก็ม <Above> ีนะเดิมีนาล้วบอกยกทรงไม่เราไม่มีประสอนนะเออดีแล้วเอาทุกมีนาเนี่ยเห็นเที่หมากแฉะๆแล้ก็จะไม่ต้องนอะไรดีไม่ตอรับหการพระลงทอดจิตตโนธรรมคือพวกลูกๆเนี่ยมาที่ซอยสายลมทอดทอดดูด้านในเช่นถุยลำเลยงลข้อ้มูกมั่งสีอะไรสี กโคิดว่าหอคงไเห็นหรอกให้การทำบุญด้านหลังอย่างนี้หลวงพ่วเจ้าขาจะมีพราหมณ์ของเหมือนจบอยู่ด้านหน้าหรืเปาถ้ารล่าด้านางมก็ไม่แน่นะด้านหลังอาจจะได้มากกว่าก็ได้ได้แต่เก็บอย่างเดียวนี่เท่ากันนั่นแหละเพราะฉันไม่ได้โกรธใครคนหน้าก็ไม่โกรธคนหลังก็ไม่โกรธหมดเรื่องเลยสมบูรณ์สมบูรณ์ แ ล, แล้วก็ดีนะไรสงมากนะถ้<ม> า, ายอย่างเบาๆนะ<ม>าตายไปแล้วจะมีบริวารแปดหมืนคนอย่งเบาๆนะรรนเรารัไม่พูดเทนิพพันกันแต่ว่าอยู่ขงก็ได้เปีย น, นว่าหัวฉีก็่าออบคึ้นหรือไงไม่เห็นซ <c oughs> ักเลยนะแขอเชิญอยู่ข้างใน ลง9า0คนแน่ล่อง108คนเลยดิที่จะการเรียนถามก็คือว่าผมชัดยังไม่มั่นใจเพราะว่ามันจะใช้อาวุธ้จะรายกาจมากผมอยากจะเรียนถามพอว่าถ้าผมจะใช้ของดวงลงละ108คนลุงพ่อจะถัดกล้องหรือเปล่าครับน้อยไปต้องทําเป็นสังวานนี้นี้ท้องของนี้ กเขปรือกค้ำตาตั้ใจพอพูดาถึงเรื่องนี้คุณ่มันไม่ออกวันเขา่ฟังโดยอย่างนี้พอกังพูก็ฝันายฝันว่าจะมีปัจจัยเงเพิ่ขึ้นแต่คนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงในไทยดาวเอนะจพอบอกเขาูกเอาละามหมาสามค์ไปไว้สุริยสิผลสุดท้ายแก่ พอดีแม่เขาเมินเยอะแต่ไม่รวมรถรุ่นี้แต่ก็เริพักอ๋าหมากไปวางรถแล้วก็ออกแต่บ้านอันอันดับแรกเราแวะลงไปข้างถนนแต่ในนี้มันน่าประจานนะแต่เพราะว่าโดนลายพืชมาปีนขึ้นมาบนได้พอปีนขึ้นมาบน็นกมพักตัดกระบอกตาถนนเปรี้ยบประเด็นที่ขับรถไม่เป็นไรพอเลี้ยวเองประเด็นว่าคนเดือดร้อนมาอยู่ๆเกี่ยวยาแดงเลยก็ทำไมก็ จะไปรถก็เิ็บร้อยแต่สวัสดีครับสวัสดีเลยก็เพรว่าเห็นเป็นภาพภาพลางๆเนี่ยไมจใช่ภาพถางหมาดนะถ้าลอยติดแล้วแบบแค่เราัดกลมมาะไรแลอะไรก็ไม่ต่างส่ไปแต่ก็เลยรอดชีวิตมาจนกระทั่งถึงเมื่อตอนวันนี้ลองชีวิตมาเลยน่าเสียใจว่าอ่าที่นี้ใครที่มีรถนะ ไม่ดีไม่ทางด้านสามองไม่าีไม่ทางด้านสามองถ้าไม่แน่ว่าราสัตว์เป็นหรือไม่นะ้องลงคนมาติดขอไม่ดีแล้วลอกไอ้เท็เตอร์ตัวใหญ่ๆกันก่อนเรื่องแต่ละแต่ใช่เอ้าเวลาอย่างไกาตาหรือไงอะเลยสีนาทีสี่นาทีนะครับ อีกสีนาทีก็คงจะได้ผู้หนึ่งปันหาเอาา่อปัญนี้อะไรเนี่ยอ๋อหลวงพ่อเจ้าขาหน้าอาจารย์จริงๆที่บ้านที่บ้านลูกมีสานกับคููอยู่เสารเรียวลูกอยากจะให้สรรักศิลป์ก็เลยเอาสามเสาไปต่อเ ป, ป็นสมองเอาไว้ถ้าทำใกิจการเจริญรุ่งเรืองอย่างหน้าอาจารย์ ถ้าว่าดูแลกไม่อยากจะมาพึ่งบารามีว่าขอหลวงพ่อช่วยสองช้อนบอกให้ทันทักหอยวันแรกแมวเยี่ยวนะมันเละหลาย โรณาด้วยขาจ้ะนะามวจไมีสี่แล้วขาเพือนตลกไปเลยนะแต่เขาบอกเรื่สี่ก็หมายความแมวมีสีขาแต่ถ้าแมวก็มีอีกหนึ่งหางแล้วก็ฉีก็ฉีเนียกอะไรฮ่ยฮ่าี่าฮ่ารอ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮาร่าาาา่า ตาพ่อหลวงพ่อจะกระลอกจากสงเอก็คือว่าไม่ทราบว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือจะเป็นเวรกรรอย่างไรตาทั้งทีลูกก็ทำมาดีโดยตลอดอดเดือนสามีตายลูกก็ไม่ว่าแล้าก่อมาอีกหน่อยทรายลูกชายตายก็ตายกันใหญ่เลยทีนี้ลูกก็มาึกว่าเองจะเป็นเพวกที่อยู่อาศัยข้างนก็ไม่ใ แต่ที่ลูกวิจัต่างวันนี้คือว่าทูกคนพาในบ้านตายกับเพียอนอยแล้วต่อไม่ไปก็จะลูกขอถวายชีวิตให้แก่ลุพ่อขอลุงพ่อย้ายลูกตายเลยตัวเอีซะวิธีนี้แก้ไม่ยากไม่ยากุงพ่อพี่แม่เป็นน้ำพยายามให้ใจไว้ีนะนี่นี่นี่นี่ ไม่หรือเมาข่าวคุ้มนะโอ้แ่หายใจน้าคนยังหายใจอยู่มันจะตายได้ยังไงฉันเธอไปแค่ที่สุพรรณเขาสององค์เจ้าของบ้านใช่ไหมเราองค์เดียวก็ไม่ทราบว่าเขาแยคิดที่เขาจ้เอาจนนี้จะฆ่ากันนะนะอันดับแรกที่บนมาพบกันไม่ยอมพบเวลากินข้าวก็จําเป็นต้องมากินใช่ไหมเจ้าภาพคนไม่ชักไม่สอดใจ เพราะนั้นเทพแกงถามว่าใครรับหน้าที่อะไรครับองนั้นก็อะไรก็ได้ใครองอะไรก็ได้แล้วนั้นคือไอ้ผมได้เอาแน่ไอ้นี่ต้องตีหัวเขาบ้างลักตีหัวแล้วที่ที่ลักตีหัวมีใช่ไหมถึงเวลาเทพก็ บ, บอกองค์นี้อโสมมาของผมเป็นบาลีนะครับองนี้น้อยกว่าผมเป็นอนุนนะมึงเสียใจสององนี่ยเราไปมูปกวกาไม่ใช่ อาองมากแวะเป็นกระสบเป็นกระสบเราเปบาลีอีกออานน์เจ้วินัยเรื่องเล็กเลยเราแหมจวกฆ่าฆ่าธรรมจะไม่เป็นไรเลยพอตอนนี้พออันนน์เขาว่าเราบทชเราก็ฟังมันมาาเรียบร้อยจริงๆต้องคิดว่าเก่งเขาเก่งเพราะหนังสือนี่เรียบฟังดีเข้าใจง่ายใช่ไหมพอถึงกระสบกระสบเดินเรื่อง ตอนเรื <nar tuvo> ่องพอยัเข้าเรื่องระบบคุเรียวก่อนครับเพราะปรเด็นพระคุณตุณาพักก่อนเรื่องพระมหากเกศศพใครใครก็ฟังกันมาเรื่อยเรื่องแจงนะถ้าอยากจะทราบว่าพ่อกับแม่พระมหากเกศศพชื่ออะไรครับในลานตีปับปับปับปับปับขพระนนท์นะเกศศพไม่ตอบน้องตอบก็ได้อน้องเอาอยูตามเวลาตีว่านั่นแย่เลยเทศต้องเทสคนเดียวทําอะไรมันไม่พูดหมด ัำ ล, ลงมาได้คนละสองร้อยกระสานคนละศอบเท่ากันเสียท่าเหมือนเนื่อยเนื่อเกือบตาย <c oughs> ไเอเรา <c oughs> เทศไป เ, เทศคนเดียวตั้งหนึ่งชั่วโมงนึ่ก็แย่เลยนะนี่เขาจะเผาศพสามโมงครึ่งเนี่ไม่ถึงเวลาเขามายอมให้จบโอ้เกือบตายเลยแพ้เขาแ้ดเหนื่อยกินเหน่อยเกับตายใช่่ใช่ อย่างกับพระครูวินัยโกศนเจ้าคุณวินัยโกศลก็อยู่ในงไม่ใช่นักเทศไปเทศห้าสรรมะใช่ไหมตามธรรมดานักเทศเนี่ยเวลาก็ตั้งธโมห์และองค์ต่อไปไม่ต้องตั้งธโมห์ใช่ไหมใช่ครับนั่งกับพี่ยังวางอยู่ไปถึงหน้าที่ตัวถามว่ายังไงถ้าจะคุณนเสียงเอืหยิบเอื้อแล้วก็หยิบกับพีได้เอืเดียวองค์อื่นฟาดตอบไปเลย <c oughs> ลงมาเท่ากัน พอลงมาแล้วคุยกูเก่งกว่ามึงเว้ยผู้เทพอ้เดียวเท่ากันปะาาเท่ากันเจ้านักแดกคนซึเลยตายไปแล้วอ๋อตายแล้วตายแล้วนนี้แสดงคนบ่อไปต้องมีพ่อเะมาหลายดาวเยอะว่าไอ้ดดงแข่งๆนี่เยอะเลยเอาเลยๆใช่ทุกแยจะดือนนี้เอาเยอะ ก็ไปเจอพระอีกองหนึ่งที่โพทองใช่ใช่แล้วที่มหาชนวนเป็นเป็นบริยนทมาจากเชียงใหม่มันเทศเกเยเกตุงมาตลอดเวลาใครไระเทศมันก็แย่เขาต้องการจะเทศหลายชั้นแทนก็ไม่ว่างมหาสมควรรทุกคนไปละครไปละครั้ง่เก่งมากประเทศและ